ทำไมพวกเราจึงมีความแตกต่างจากพระพุทธเจ้าแตกต่างจากพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ไปชนไม่ไม่เดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่เดินไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทาให้เกิดอันตรายขึ้นมาพอมีตามองเห็นพวกเรานี่เป็นเหมือนคนตาบอดเดินไปไหนมาไหนมักจะไปชนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาชนแล้วก็เกิดเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความไม่สบายใจต่างๆของพวกเรานี้เกิดจาก ความมืดบอดของเราเองจะเหมือนกันเราเป็นคนตาบอดเราเดินไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดินไปก็ชนเสาบ้างไปเตะอะไรบ้างไปลื่นหกล้มบ้างเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราทำอะไรไปวันๆนหนึ่งเดี๋ยวก็ไปร้องห่มร้องไห้ เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็กังวลใจเศร้าใจอันนี้เป็นผลจากความมืดบอดของใจของพวกเราใจของพวกเรามันมืดบอดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เราที่เราเดินเข้าไปหาจะมารู้ก็สายเสียแล้วเหมือนกับ ไปจับไฟแล้วถึงจะรู้ว่ามันรน้อนโนอนไฟมันไหม้มือแล้วหรือไปดื่มยาพิษซะแล้วถึงจะมารู้ว่าอ๋อมันเป็นยาพิษเดื่มแล้วทำให้ท้องเสียถ้าเป็นคนตาดีก่อนเขาจะเดื่มเขาก็ดูที่ฉลากก่อนว่าเป็นอะไรเป็นยาพิษหรือเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นอะไรที่เป็นอันตรายกับเขาเขาก็ไม่ไม่เอาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เขาก็เอานี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดีท่านจึงไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความวุ่นวายใจ ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความไม่สบายใจแพวกเรานี้มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่แทบทุกวันไม่วุ่นวายใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ไม่สบายใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้คนนั้นกับคนนี้นั่นเพราะว่าเราตาบอดฉะนั้นถ้าเราอยากจะ ไม่มีเรื่องราวต่างๆมาให้เราวุ่นวายใจกันไม่ให้เราเสียใจไม่ให้เราต้องมาร้องหยหร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมีตกกังวลอกับเรื่องราวต่างๆเราต้องมาทําตาของพวกเราให้สว่างไปรักษาตา ตามืดบอดของพวกเรานี้มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ให้เป็นตาดีเหมือนตาของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองเมื่อก่อนที่ท่านจะมีตาดีท่านก็ตามืดบอดเหมือนพวกเราแต่ท่านก็รู้ว่าท่านาต้องได้รับการรักษา ท่านก็เลยไปหาหมอไปหาวิธีรักษาตาของท่านให้หายจากความมืดบอดท่านก็ไปรักษาอยู่6ปีด้วยกันไปบวชไปปฏิบัติธรรมตานี้ไม่ใช่ตาตาเนื้อแต่เป็นตาในตาใจตาทิพย์เรามีสองตาเรามีตาเนื้อกับมีตาทิพย์ ตาเนื้อของเราไม่บอดเนี่ยเราเห็นอะไรต่างๆเห็นต้นไม้เห็นเห็นถนนเห็นคนนั้นวันนี้เห็นสัตว์ต่างๆเห็นสิ่งต่างๆทางร่างกายเราค่อนข้างจะปลอดภัยเราไปไหนมาไหนนี้เรามีตาเนื้อร่างกายเราไม่ค่อยไปพบกับภัยเท่าไหร่แต่ใจของพวกเรานี้ ที่เรียกว่าตาทิ์นี่มันตะมันมืดบอดมันมืดบอดมันก็เลยมักจะเดินไปชนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาร่างกายเราส่วนใหญ่สบายแต่ร่างใจเรานี้ส่วนใหญ่ไม่สบายเพราะร่างกายของเรานี้เรามีตา ไว้ดูแลหาอาหารมาให้มันกินหาน้ามาให้ดืม่มหาเสื้อผ้ามาให้มันใส่หาอะไรต่างๆที่ร่างกายต้องการได้ครบถ้วนบริบูรณ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอหายาไปโรงพยาบาลได้ร่างกายของเราจึงปลอดภัยจากความวุ่นวายใจต่างๆความวุ่นวายต่างๆ แต่ใจของเรานี้มันมีแต่ความวุ่นวายอยู่ทุกวันก็เพราะว่าตามันบอดมันชอบเดินไปชนสิ่งนั้นเดินไปชนสิ่งนี้พอชนแล้วมันก็เจ็บมันก็ทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขกันตอนนี้ก็คือมารักษาตาในรักษาตาทิพนี้ให้มัน หายจากความมืดบอดความมืดบอดของตาในนี่เราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจากเป็นดอกบวัวเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่เรากลับว่าไม่มีอย่างนี้เรียกว่า เห็นผิดเป็นชอบเลยเห็นสุนัขว่าเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขเนี่ยวิจฉาธิฏฐิของพวกเรานี้เห็นอะไรที่เห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา นี่คือมิจฉาทิฏฐิเรามีอะไรนี่เราเห็นว่ามันเที่ยงใช่ไหมร่างกายเรานี้เห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่นี่เราเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราเราเห็นว่ามันเที่ยงมันต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่แล้วทำไมบางทีวันดีคืนดีทำไมเงินทองมันจึงหมดไปได้ถ้ามันเที่ยงมันก็มีเท่าไหร่มันก็ต้องมีอยู่เท่านั้นถ้ามีแล้วมันหมดก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามีมีแล้วมีมากขึ้นก็ไม่เที่ยงมีน้อยลงก็ไม่เที่ยงเช่นสมมติมีอยู่ล้านหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็มีเป็นสองล้าน อย่างนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่เที่ยงแบบนี้เราไม่กลัวเรากลัวไม่เที่ยงแบบมันมีล้านแล้วลดเหลือลดเหลือแสนหนึ่งเรากลัวแบบนี้เราทุกข์กับความไม่เที่ยงแบบนี้เวลามีล้านแล้วเดี๋ยวเงินทองหายไปเหลืออยู่แค่แสนเดียวเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีหรือหายไปหมดเลย เงินทองมีเท่าไหร่หายหมดนอกจากหายหมดแล้วยังเป็นหนี้เป็นสินอีกนี <Yeah. S 2> ่ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าเงินทองเหมือนเที่ยงเราไปคิดว่าถ้าเรามีเงินทองแล้วมันจะมีไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> มันจะเป็นของเราไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> แต่วันดีคืนดีมันอาจจะไม่ได้เป็นของเราแล้วก็ได้ <Yeah. S 2> ไม่มีเงินทองเหลือแล้วก็ได้ นี่คือการที่เราไปมองเห็นว่าเงินทองมันเที่ยงมันให้ความสุขกับเราแต่พอมันไม่เที่ยงพอมันกลายเป็นของคนอื่นไปไม่ได้เป็นของเราขึ้นมามันก็เลยทำให้เราทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรา สิ่งที่ไม่เที่ยงเราไปเห็นว่ามันเที่ยงคือเงินทองเรียกว่าลาบยศก็คือตำแหน่งต่างๆพวกเราทุกคนนีอยากจะได้ตำแหน่งสูงๆกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันทางานก็อยากจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของร้านแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นไปเรื่อย เพราะว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันวันดีเกินดีก็อาจจะไม่ได้เป็นเห็นไหมนายกรัฐมนตรีเมืองไทยนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นกันไม่กี่ปีก็เปลี่ยนไปทั้งๆ ท, ที่เห็นว่ามันเปลี่ยนก็ยังอยากเป็นกันเวลาเป็นก็ดีใจกันพอเวลาไม่ได้เป็นก็เสียใจกัน เห็นไหเนี่ยวิ่งไปหาหาความเสียใจเพราะเราคิดว่าการได้เป็นนายกได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะมีความสุขแต่พอเวลามันไม่ได้เป็นขึ้นมาความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่หรือความสุขที่เราคิดว่าจากการเรามีความสุขจากการได้มีสามีได้มีภรรยา เวลาเราได้สามีได้ภรรยามาเวลาแต่งงานกันนี่มีความสุขกินเลี้ยงกันมีงานฉลองกันดื่มน้ำพึ้งพระจันทร์กันแต่พออยู่กันไปสักพักหนึ่งเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปได้คนก็เปลี่ยนไปได้ เ, เคยรักกันเคยชอบกันก็โกรธกันก็ได้เกลียดกันขึ้นมาก็ได้ พอโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาความสุขที่เราได้จากคนนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เที่ยงแต่เราไปเห็นว่ามันเที่ยงคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วมีคู่แล้วจะมีความสุขไปจนวันตายแต่พอความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นชาวบ้านเขาบลัลานก็บอกว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยก็ บ้านแตกสาหลากขาดแล้วก็มีอย่าร่างกันแล้วก็มีอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอันนี้ก็เพราะว่าไปเห็นว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนั้นเที่ยงได้เขามาแล้วเขาต้องดีไปเรื่อยเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะให้ความสุขเราไปเรื่อยๆเขาจะเป็นของเราไปเรื่อย แต่ความเป็นจริงเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้เป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปอย่าล้างกันไปนี่คือความทุกข์ต่างๆความไม่สบายใจต่างๆเกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบของพวกเราเานั่นเองถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็อย่าไปยุ่งกับมันด้ อยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมาทุกกับคนที่เราอยู่ด้วยถ้าเขาดีก็ทุกไปอีกแบบหนึง่งเขาไม่ดีก็ทุกไปอีกอย่างหนึง่งเขาอยู่ก็ทุกไปอย่างหนึง่งเขาจากไปก็ทุกไป <S <S 1> <S 1> มีแต่ความทุกกับเขาเขาดีก็ห่วงเขาห่วงเขากลัวเขาจะไม่อยู่กับเรากลัวเขาว่า มีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นกับเขานี่ก็เป็นความทุกข์แล้วเขาไม่ดีก็ทุกข์เจอกันทีไรก็โดนเขาด่าโดนเขาทุบเขาตีโดนเขาทำอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่พอใจไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆเพราะเขาเป็นของไม่เที่ยง ตอนที่เราได้มาใหม่ๆเนี่ยมันดีของต่างๆคนต่างๆนี่เวลาได้มาใหม่ๆเจอกันใหม่ๆนี่ดีไปหมดแต่พอได้มาสักพักแล้วมันก็เปลี่ยนไปแม้แต่เครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆเวลาซื้อมาจากลาเ น, นี่ยมันดีนะใช้ได้ดีตลอดแต่พอใช้ไปใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียละ เดี๋ยวต้องเอาเข้าไปซ่อมเอาเข้าไป เ, เปลี่ยนเอาไปทำให้มันดเีเวลามันใช้ได้ก็ให้ความสุขกับเราพอเวลามันใช้ไม่ได้มันก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วำคาญใจเบื่อหน่ายาานี่คือการไม่เอามองไม่เห็น สิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่มันจะให้ความทุกข์กับเราว่ามันจะให้ความสุขกับเราสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอมันกลายไปเป็นของคนอื่นไปก็เสียอกเสียใจร้องผมร้องไห้กันนี่นี่คือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือความมืดบอดของ ตาในตาตานอกเรามองเห็นแต่ตาในาเรามองไม่เห็นตานอกเราเสามารถดูแลร่างกายของเราไม่ให้ไปเจอกับภัยอันตรายต่างๆได้เพราะเวลาเราเดินไปถ้าเห็นงูเราก็เราก็ไม่เดินเข้าหาถ้าเห็นข้างหน้าจะมีอันตรายเราก็ไม่เดินไปแต่ เหตุการณ์ต่างๆนี่ใจมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง ก, กลับไปเห็นว่ามันเที่ยงมันมันทุกข์กลับไปเห็นว่ามันสุขมันไม่ได้เป็นของเรากลับไปเห็นว่าเป็นของเราพอเราได้อะไรมานี่เราจะว่าเป็นของเราทันทีเลยใช่ไหมพอเป็นของเราแล้วเป็นไงห่วงมห่วงไห ม, หไห ม, ไหมกังวลม ลูกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นของเราเราจะไปห่วงนะเราจะไปห่วงนะลูกของชาวบ้านลูกของคนอื่นนี่เราไปห่วงเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแต่พอเราได้ลูกเราคลอดลูกออกมาเราห่วงไหยเราห่วงไหมเพราะเราไปถือว่าเป็นของเราแนละ้วเขาก็ไม่ได้เป็นของเรา ถึงแม้ว่าเขาจะมาเอา อ, ออกมาจากท้องเราก็ต่างเขาก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันดีคืนดีเจ้าของที่แท้จริงเขาก็มาเอาคืนไปได้อะไรเป็นเจ้าของของร่างกายของพวกเราก็ของที่เราเอามาทําให้เป็นร่างกายนี้ขึ้นมาร่างกายนี้มันไม่ได้มาจาก จากความจากศูนย์นี่มันต้องมีอะไรมาทําให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมร่างกายมันจะมีได้มันก็ต้องมีอาหารมีอากาศมีน้ํามันถึงจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เี่ยเจ้าของที่แท้จริงก็คืออาหารก็คือดินอาหารก็มาจากดินใช่ไหมข้าวนี่เราเอามาจากที่ไหนเราปลูกข้าวเราปลูกที่ไหนปลูกบนท้องฟ้าหรือปลูปก ปลูกในดินเราปลูกในดินเดี๋ยวดินมันก็มันก็กลายเป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาแล้วเราก็ เ, เมล็ดข้าวมากินเอาผักมากินเงี้ยพอกินเข้าไปในร่างกายมันก็ไ ป, ปเปเลี่ยนเป็นผงัเลยเป็นผงเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไปเนี่ยอาการ312ของร่างกายเราเนี่ยมัน เป็นมาจากดินน้ำลมไฟมาจากดินคืออาหารน้ำที่เราเดืม่มลมที่เราหายใจเข้าไปไฟคือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์เราจะอยู่กันได้เหมโลกนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนรั่วโลกเหนือครัวโลกเหนือนี้มีต้นไม้ไมี ถ้าคนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่หลบความหนาวนี่อยู่ได้ไนมะอยู่ไม่ได้เราไปเห็นร่างกายที่เป็นของดินน้ำลมไฟว่าเป็นของเราแล้ววันดีเกินดีร่างกายมันก็แยกสลายไปแตกสลายไปเพราะดินน้ำลมไฟที่อยู่ในร่างกายมันแตกความสามัคคี มันไม่อยู่รวมกันร่างกายของเราทุกคนเนี่ยต่อไปมันจะต้องมีการแตกสามขีของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มีรวมกันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะแยกทางกันไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนก็แยกกันมาตั้งแต่วันเกิดเลย mm hmm. เ็กข้อออกมาปั๊บก็ไม่หายใจแล้วธาตลมไม่มาแล้ว้าตลมแยกไปก่อนแล้ว พอไม่หายใจท่าลมก็ไปพอไม่มีท่าลมท่าดินท่าน้ำท่าไฟก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายนี้เจริญเติบโตลรืออยู่ต่อไปได้แล้วเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวท่าน้ำก็ออกจากร่างกายไปท่าไฟก็ออกจากร่างกายไปเดี๋ยวเหลือทิ้งไว้นนงานก็เหลือแต่ท่าดินร่างกายถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็เน่าเปื่อย แล้วก็แห้งกรอบผุพังไปกลายเป็นดินไปเนี่ยนี่คือความมองไม่เห็นของพวกเราความมืดบอดของพวกเราเราไม่เคยศึกษาความจริงๆของร่างกายของพวกเราเลยว่ามันเป็นของใครกันแน่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรานตอนที่มัน สมบูณแข็งแรงเนี่ยมันให้ความสุขกับเราเพราะมันสามารถพาเราไปหาความสุขต่างๆได้เวลาเราอยากจะหาความสุขเราก็พาร่างกายไปไปเที่ยวกันใช่ไหมถ้ามันมีร่างกายไปเที่ยวได้นก็ไปไม่ได้ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้พอวเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แทนที่มันจะให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความทุกข์กับเราเก็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นไข้นี่คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของร่างกายความที่มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟมารวมกันมาผสมกันแล้วก็มาทำให้มันเป็น เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกขึ้นมาทำไมพวกเราจึงมองไม่เห็นกันก็พวกเราไม่ยอมมองกันไม่มีใครสอนกันมหาวิทยาลัยระดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่สอนเลยสอนเรื่องของร่างกายนี้ เขาคิดว่าเป็นเรื่องกล้วยๆรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นของเราันทุกคนใช่ไหมเราไม่มีใครมาสอนว่ามันความเป็นจริงแล้วมันเป็นของเราหรือเปล่าไม่มีใครสอนแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าร่างกายมันไม่เที่ยงแต่ทําไมมันจําไม่ได้กันทำไมอยากให้มันเที่ยงะพอหนังมันเฉียวนี่ก็อยากจะไปดึงให้มันตึงนะพอผมมันหงอกก็จะไปยอมให้มันดํำนะ ตัางทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่ยอมรับมันว่ามันไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงให้ได้จะทำให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆให้ได้การกระทำเหล่านี้ละ่ะมันผิดความเป็นจริงเหมือนกับเดินชนเสาเห็นเสาอยู่ข้างหน้าทำไมเดินไปชนมันทาไมอย่าไปเดินชนมันสิชนมันแล้วมันเจ็บไหม ความอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆนี่มันสุขหรือทุกข์กันน่ะเวลาเห็นหน้าตาเหี่ยวนี่มันสุขหรือเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆรู้ว่ามันต้องแก่เวลาเห็นหน้าตามันแก่ลงมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่ไม่แก่อยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานาไปเรื่อย ความอยากก็มาจากความหลงที่ไปคิดว่าเราสามารถทำให้มันไม่แก่ได้สามารถทำให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปได้เรื่อยๆสามารถทำให้มันเที่ยงอันนี้ก็เป็นความหลงความเข้าใจผิดความไม่มันความจริงมันเป็นไปไม่ได้เราจะไปทำให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่ได้ทำให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ ทำให้มันไม่ตายไม่ได้ถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงเราจะไม่ทุกข์กันอยู่กับความเป็นจริงก็คือไม่เดินชนมันไงเห็นต้นไม้เราก็อย่าไปเดินชนมันเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าต้นไม้เราคิดว่าเราเดินไปชนต้นไม้แล้วต้นไม้มันจะหลีกทางให้เรามันไม่หลีกหรอกเดินไปชนมันเราก็เจ็บตัวทั้งนี่ความจริงก็เหมือนกันความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้เราอย่าไปเดินชนมัน ชนมันก็จะเจ็บเวลาที่เราอยากจะไปเปลี่ยนมันเนี่ยเหมือนกับเราไปเดินไปชนมันเปลี่ยนความแก่ให้มันไม่แก่เปลี่ยนความเจ็บให้มันไม่เจ็บเปลี่ยนความตายให้มันไม่ตายทำไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะทำได้จะทำให้แต่จะทาให้ใจเราทุกข์ุ้นวายใจไปเปล่า ที่จะต้องคอยมาดึงหนังคอยมาเซทำสัญลักษณ์ต่างๆที่จะต้องมาคอยย้อมผมต่างๆให้มันเป็นสีต่างๆขึ้นมาที่จะคอยป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ทำยังไงก็ทำไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จก็เสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจก็เหมือนกับเดินชนต้นไม้ อย่าไปเดินชนความจริงอย่าไปเปลี่ยนความจริงเปลี่ยนไม่ได้ความจริงคือความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เปลี่ยนไม่ได้มาอยู่กับมบันดีกว่าอยู่กับความจริงดีกว่าแก่ก็อยู่กับมันไปเจ็บก็อยู่กับมันไปตายก็อยู่กับมันไปเพราะว่าเรามไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไม ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันเต็มดินน้ำลมไฟมันไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เลยเรานี้อยู่ที่ใจใจที่มืดบอดใจที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยง ไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟ เ, ออเดี๋ยววันหนึ่งเจ้าของเขาก็จะมาเอาคืนไปร่านการนี้เป็นเหมือนของที่เรายืมเข้ามาเราเวลาเราไปยืมของของคนนี่เรารู้ใช่ไหมว่าเป็นไม่ใช่เป็นของเราเช่นไปยืมรถของเพื่อนมาขับเดี๋ยวพอเสร็จธุระเราก็ต้องเอาไปคืนเขา เ, ออเวลาคืนเขาเราก็ไม่เสียใจ ไม่ทุกใจแล้วกับดีใจขอบคุณเขาที่เขาสา่งให้เรายืมรถเข้ามาใช้แต่ถ้าเราไปจาเราลืมไปว่ารถที่เราไปยืมมานี้เป็นรถที่ยืมมาเรากลับไปคิดว่าเป็นรถของเราขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะไปคืนเขาเขาก็ต้องมาทวงเราเราเข้ามาทวงเราก็ไม่ยอมให้ก็ต้องต่อสู้กันพอเขาชนะเขาเอาคืนไป เอาไปแจ้งความไปบอกตำรวจว่านี่รถของเขาก็มีหลักฐานมีทะเบียนมีชื่อของเขาอยู่เราก็ต้องถูกบังคับให้คืนรถเขาไปเวลาคืนไปเราก็เสียใจว่าเราลืมไปว่าเรารถไม่ได้เป็นของเรารถเป็นของเขาเรายืมเข้ามาแต่ความจำเราเสื่อมพอยืมเข้ามาแล้วลืมเนี่ยร่างกายของเราก็เหมือนกัน เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟกันแต่ความจำของพวกเราเสื่อมพอได้ร่างกายมาแล้วเราก็มาคิดว่าเป็นของเราเลยเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเจ้าของเขามาเอาคืนไปเราก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้กันเราลืมไปเราลืมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามาจากดินน้ำลมไฟสำหรับพวกเรา ก็คือไม่มีใครสอนเรานั่นเองมีใครสอนเราไมพ่อแม่เคยสอนเราไหมครูอาจารย์ที่โรงเรียนเคยสอนเราไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมมายืมมาจากดินน้ำลมไฟเนียทุกวันเนี่ยเราไปขอยืมดินน้ำลมไฟมาเพิ่มอยู่ทุกวันนะหายใจเข้านี่ก็เหมือนกับยืมลมเขาเข้าขมาละดินน้ำเข้าไปก็เหมือนกับไปยืมน้าเข้ามาละ กินอาหารเข้าไปก็เหมือนกับไปยืมดินมาแล้วได้รับแสงแดดแสงอาทิตย์ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ไปยืมความร้อนมาจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยยืมของเขามาทุกวันเล ย, ยเหมือนกับเราไปยืมเงินยืมทองคนอื่นทุกวันยืมแล้วก็ลืมไปคิดว่าเป็นเป็นของเราไม่เคยคิดจะไปใช้เขาเลยแล้วพอวันดีค้นดีเจ้าของก็มาทวงคืนเราก็เดือดร้อนเลย วุ่นวายใจไม่ยอมคืนไม่อยากคืนอยากไม่อยากเขาเก่งกว่าเราเขาใหญ่กว่าเราเขาก็มาเอาคืนไปหมดเดี๋ยวดินน้ำลมไฟเขาก็มาขอเขาก็จะมาแยกแยกธาตุร่างกายเราออกไปเป็นสี่ส่วนธาตุดินไปเจ้าของดินออกไปธาตุน้าเจ้าของน้ำออกไปธาตุลมเจ้าของลมออกไป ชาดไฟเจ้าของไฟออกไปเอาไปร่างกายนี้จะหายไปไม่มีอะไรเหลือเอาไปเผาแล้วเหลือเป็นอะไรเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าก็เป็นดินหรือเป่าเศษกระดูกนี้เป็นดินหร้อเป่าน้ำมันก็ถูกไฟไหม้หายไปหมดลมก็หายไปหมดไฟก็หายไปพอไฟดับพ อ, พอเผาเสร็จไฟดับปั๊บมันก็หายไปหมดความร้อน เราต้องมาสอนตัวเราเราจะได้ไม่หลงกันจะได้ตาสว่างจะได้เห็นความจริงแล้วเราจะได้ไม่ไปชนมันไม่ไปโดนไม่ไปชนต้นไม้เห็นต้นไม้เราก็หลีกได้เห็นงูเราก็ไม่ไปเหยียบมันอันนี้เราลองไม่เห็นเราก็เดินไปไม่สนใจข้างหน้าจะมีอะไรเดินไปชนต้นไม้เดินไปเหยียบงูแล้วก็ถูกงูกัดชนต้นไม้ก็เจ็บ เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เห็นว่าของทุกอย่างที่เราได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาเดี๋ยววันดีเกินดีเขาก็ต้องคืนเจ้าของไปเจ้าของก็จะต้องมาเอาไปเห็นไหน ม, มีแฟนเดี๋ยวแฟนเขาก็ไปละเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นหรือเขาตายไป หรือเขาหรือเราเบื่อเขาเราก็จากเขาไปเราก็เปลี่ยนแฟนใหม่เราอยู่ในโลกที่มีทุกๆอย่างมันไม่เที่ยงของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงหมดร่างกายเราไม่เที่ยงร่างกายสามีภรรยาเราไม่เที่ยงของลูกเราไม่เที่ยงของพ่อของแม่เราไม่เที่ยง มันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาไม่ได้เป็นลูกตัวสามีตัวภรรยาตัวลูกตัวพ่อแม่นี้เที่ยงแต่ไม่อยู่กับเราเวลาร่างกายนี้ตายไปตัวที่เป็นสามีเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวที่เป็นสามีก็คือใจใจที่มืดบอดถ้าใจมืดบอดก็เป็นใจที่ไปเกิดใหม่ เพราะว่ายังอยากจะได้ร่างกายอันใหม่เพราะยังคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นสุขอยู่เวลาไม่มีร่างกายแล้วมันทุกข์นั้นอยากจะมีร่างกายเพราะว่าเวลามีร่างกายจะได้ไปเที่ยวได้จะได้มีแฟนได้จะได้ไปทําอะไรต่างๆให้มีความสุขได้อันนี้ก็เป็นความหลงอีกเพราะว่า พอมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันแต่ถ้าเราได้มาศึกษาจากคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยร่างกายมันไม่ดีมันเป็นทุกข์ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เออกมาจากท้องแม่ก็ต้องดิ้นรนต้องหายใจต้องหากินหาที่อยู่อาศัยหาอะไรต่างๆถ้าขาดมันขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็ตายต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายอันนี้คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกัน ไม่มีใครสอนเราเลยต้องมาหาคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตาดีท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ท่านถึงไม่อยากจะกลับมาท่านเลยไม่กลับมาเกิดกลับมาเกิดได้ร่างกายก็ทุกข์ร่างกายก็ไม่เที่ยงแล้วพอมีร่างกายก็เอาร่างกายไปหาเงินหาทองเงินทองก็ไม่เที่ยง หาสามีหาภรรยาหาอะไรมาก็ไม่เทียมเวลามันได้มาก็ดีใจเวลามันหมดไปก็เสียใจกันนี่อุเจาวาอย่าไปหาสิ่งเหล่านี้เลยไปหาสิ่งที่เป็นของเราดีกว่าเรามีของที่เป็นของเราที่เป็นความสุขตลอดเวลาก็คือความสงบในใจเรานี่แหละ ให้เรามานั่งสมาธิกันแหมพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้านั่งสมาธิเห็นมกลาวพระพุทธเจ้าที่ไรเห็น <m> ท่านนั่งอยู่ในท่าอื่นหรือเปล่าท่านสอนเราทุกวันแต่เราไม่มองกันไม่รู้กันว่าท่านสอนให้เรานั่งสมาธิกันทําไมเราไม่ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงนั่งนั่งนั่งอยู่ในท่าสมาธิ ท, ทําไมนักป่าเขาสอนเราเนี่ยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาให้เราเห็นพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านทําอะไระ ท่านนั่งสมาธิกันแล้วเรานั่งสมาธิกันหรือเปล่าวันวันหนึ่งนี่เรานั่งสมาธิกันได้สักกี่นาทีกันความสุขอยู่ตรงนี้กลับไม่เอากันกลับไปหาความทุกข์กันเราก็มาล้องห่มล้องห้ยมาวยวายกันว่าไม่มีความสุขเลยหาความสุขไม่เจอเพราะว่าไม่สนใจที่จะดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ไม่สนใจที่จะฟังคําสอนของพระพุธทธเจ้าไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุธทธเจ้าเนี่นะถ้าเราอยากจะมีตาดีเหมือนพระพุทธเจ้าเราต้องมาศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีพระพุธทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่เรามีตัวแทนของพระพุธทธเจ้าอยู่พระพุธทธเจ้าบอกคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราเนี้ จะเป็นคำเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนหรือได้อ่านคำสอนได้ศึกษาคำสอนก็เท่ากับได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่า<ม>ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็จะสอนอย่างที่พระทำคาสอนที่เราอ่านเราฟังเนี่ยสอนเหมือนกันสอนอะไรสอนให้ทำสามอย่าง วิธีที่จะทําให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์อันสอนให้เราทำสามอย่างหนึ่งละการกระทาบาปทั้งปวงอย่าทําบาปทําบาปแล้วมันทุกข์ทั้งๆที่รู้ว่ามันทุกข์ก็ยังอดทําไม่ได้เพราะคิดว่ามันมันดีกว่าไม่ทำํำมันทุกข์น้อยกว่าที่เราทําทุกข์น้อยกว่าที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําบาป เวลาเราไม่สบายใจบางทีเราต้องโกหกใช่ไหมพอโกหกแล้วเราเสร็จเราสบายใจขึ้นสบายใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ความความกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราโกหกนี่มันก็โผล่ขึ้นมาในใจยิ่งทําให้ไม่สบายใจใหญ่ถ้ายอมสารภาพผิดมันกับสบายใจกว่ายอมรับผิดอไปขโมยของเขามาเขาถามว่าไปขโมยมาหรือรับไปเลยขโมย ยอมรับโทษแล้วใจจะสบายใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่เดือดร้อนไม่กังวลแต่ถ้าไปโกหกนี่มันจะไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันกลัวว่าจะถูกจับได้อยู่ดีนี่คือตัวอย่างของการทำบาปทำบาปแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจอย่าไปทำบาปบาปก็มีอยู่หข้อด้วยกัน การฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เนื้อสัตว์เดรัจฉานก็ตามนถแมลงนี้เขาก็มีชีวิตเขาก็รักชีวิตเหมือนเราถึงแม้ว่าตัวเขาจะเล็กแต่ใจเขานี่ใหญ่เท่ากับเราใจเขากลัวตายเท่ากับเราใจเขาเสียใจเท่ากับเราดังนั้นอย่าไปเห็นว่าตัวเขาเล็กแต่ใจเขานี่ขนาดเดียวกับเรา ใจเขากับใจเรานี่เหมือนกันหมดเพียงแต่ร่างกายนี้ต่างกันแค่ขนาดต่างกันแต่ความรู้สึกทางใจนี่เหมือนกันเวลาเขาถูกฆ่าแล้ว เ, เขารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงก็เหมือนกันงั้นให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีความเมตตาเราจะได้ไม่อยากที่จะฆ่าเขาทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองก็เหมือนกันของเราเราก็รักเราก็ห่วง ของเขาเขาก็รักเขาก็ห่วงถ้าใครเอาของเราไปเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะเสียใจไหมฉันใดก็ฉันนั้นเงินทองของเขาเราก็อย่าไปเอาเพราะจะไปทำให้เขาเสียใจทุกใจทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเขาก็จะมาตามล่าแค้นเราตามจับเราเวลาเราเงินทองหายเราทำไงเราก็ต้องพยายามหาคนที่เขามอยไปแจ้งความไปอะไรต่าง คนที่ขโมยก็จะหวาดเสียหวาดกลัวต้องคอยหลบคอยซ่อนนี่คือความทุกข์ใจความประพฤติผิดประเวณีก็เหมือนกันสามีภรรยาก็เป็นเหมือนทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองไปย่างสามีของคนอื่นไปย่างภรรยาของคนอื่นมันก็เป็นเหมือนกับไปย่งทรัพสมบัติของคนอื่นเข้าเหมือนกันไปขโมยทรัพสมบัติของคนอื่นไปแอบประพฤติผิดประเวณี อันนี้ก็ไม่ควรทำทำแล้วเราก็จะไม่สบายใจเดี๋ยวเราก็กลัวว่าเขาจะรู้เข้าวความโกหกก็เหมือนกันเวลาโกหกแล้วเราจะไม่สบายใจส่วนการดื่มสุรานี้มันเป็นบาปตรงที่ว่าถ้าดื่มแล้วมันจะทำให้เราทำบาปได้ง่ายเวลาเมาแล้วมันไม่รู้จักยับยั้งความคิด แค่คิดจะทำอะไรมันก็ทำได้ง่ายแต่ถ้าเมาแล้วเดิมแล้วหลับก็ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ไปสร้างอะไรกับใครแต่ถ้าเดิมแล้วไม่หลับเดี๋ยวไปเห็นอะไรเข้าไปทำอะไรก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาก็ได้เห็นภรรยาเห็นสามีของคนอื่นก็อยากจะไปหลับนอนกับเขาขึ้นมาก็ได้เวลาไม่เมาไม่กล้าไม่กล้าคิดแต่พอเวลาเมาแล้วมันกล้าคิด เพราไม่มีอะไรมายับยัง้งไม่มีสติมายับยั้งความคิดที่ไม่ดีท่านจึงให้อย่าดื่สโซราเพราะถ้าดื่มสุราแล้วมันจะไปคิดในทางบาปได้ง่ายแล้วมันจะไปทำบาปได้ง่ายนั่นเองนี้คือบาปห้าข้อละละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงนอกจากบาปแล้วก็ยังมีรูกน้องของบาปหรือผู้ช่วยบาปที่เราเรียกว่าอาบายมุก พวกผู้ช่วยนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไปทำบาปช่วยให้เราทำบาปคือการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดข้านพวกนี้มันจะช่วยทำให้เราไปทำบาปถ้าเราเกลียดคา้านเราไม่ไปทำงานทำการไม่ไปเรียนหนังสือเราก็จะหางานยากงานที่หาได้ก็ไรายได้น้อยเราขี้เกียจแต่เรา ขี้เกียจทางานแต่เราคิดเราขยันใช้เงินงั้นเงินทองที่เราหามาที่หาได้หาได้น้อยมันก็จะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้เดี๋ยวมันก็บอกให้เราไปขโมยเงินคนอื่นมาใช้นี่คือผู้ช่วยของผู้กระทําบาปเรียกว่าอบายมุกก็ต้องละทั้งอบายมุกละทั้งการกระทําบาปเพราะการกระทําอบายมุกจะนําไปสู่การทําบาปต่อไป เล่นการพนันถ้าได้ก็ไม่อยากจะเลิกคิดว่าเก่งอยากจะได้อีกพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ไม่เลิอกอีกก็เล่นไปจนหมดตัวพอหมดตัวก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นต่อผู้ช่วยผู้ช่วยผู้สนับสนุนให้เราไปทาบาปคืออาบายามุกไปเที่ยวกลางคืนมันก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินทองก็หมด เที่ยวกลางคืนเดือดหยดนเดินบางทีตอนเช้าก็ไปทำงานไม่ไหวถ้าขาดงานบ่อยๆเดี๋ยวก็ตกงานพอตกงานไม่มีเงินเดือจะทำไงเดี๋ยวก็ต้องไปขโมยเงินอีกนี่คือละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะว่าทำแล้วมันจะทำให้เราทุกข์กันแต่ทำไมคนก็ยังทำงันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาตาบอด เพราะเขาคิดว่ามันเป็นสุขแทนที่จะเป็นทุกข์เวลาอยากได้แล้วได้ทำตามใจอยากแล้วมันสบายไหมเวลาใครมาทำให้เราโกรธเกียดนี่อาฆาตพยาบาทนี่พอได้ฆ่าเขาแล้วรู้สึกแม่สบายใจถึงใจนะแอ่ทาไปแล้วมันทีนี้มันทบายใจเดียเด๋ย ว, วเดียวเราเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องมากลัวแล้วสิกลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษแะต้องหลบซ่อนแะต้องหนีนะเห็นไหม เวลาทำบาปไม่คิดว่ามันจะมีความทุกข์ตามมาคิดว่าทำแล้วสุขกันโกงเงินใช่ไ้ยโกงข้าวโกงของคิดว่าได้มาแล้วรวยกันแล้วไปไงพอเขามาตามจับได้ทีนี้ก็ต้องหนีเราเนียอยู่บ้านไม่ได้แล้วพอรู้เขารู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหนีเพราะถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวก็มาตามจับเราก็ต้องไปละเหเล่ยล่อนไป มักคิดให้ดีเนี่ยคาสอนพระพุทธเจ้าทุกคําสอนนี้เป็นความจริงเป็นคําสอนของคนตาดีคนที่เห็นว่าเดินไปข้างหน้านี้จะเจออะไรเดินไปข้างหน้านี้เดี๋ยวเจอมูลและเจอเสือแล้วไปทําไมไปทางนี้สิเดินไปทางนี้จะเจอเพชรเจอทองเนี่ยทำามันไม่ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินไปเจอแต่เพชรแต่ทองเพราะท่านตาดีพวกเรามันตาบอดเลยเดินไปเจอแต่เสือแต่ ตองงูเจอแต่ภัยต่างๆด้วยการเพราะเราไม่มีใครสอนรอเราเลยต้องมาเราเรียนจากคนที่ตาดีเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะทํากับข้าวเราทําไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนกับคนที่ทําเป็นเรียนจากพ่อจากแม่พ่อแม่ทํากับข้าวก็ไปดูทํายังไงหุงข้าวยังไงทํากับข้าวยังไงถ้าเราไม่ไปดู โตขึ้นไปจนโตขึ้นมาก็ทําไม่เป็นมีแต่กินเป็นอย่างเดียวนพอถึงเวลาถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่เดือดร้อนอั่นเลยทำกับข้าวเองไม่ได้บางทีข้าวยัำหุงเองไม่ได้เนยะเพราะว่าเราไม่ไปเรียนแต่ถ้าเราไปเรียนแล้วต่อไปเราก็จะรู้วิธีทํากับข้าวทันใดถ้าเราไปเรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปเราก็จะได้อไม่มีความเห็นผิดเป็นชอบะ เราจะมีสัมมาทิฐิเห็นชอบเป็นชอบเห็นผิดเป็นผิดเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงเห็นแมวเป็นแมวเห็นสุนัขเป็นสุนัขเห็นกงจากเป็นกงจากเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เห็นแบบกลับตาลบัดกัน คือคําสอนพระพุทธเจ้านี้สอนตามความจริงว่าเราทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยสอนวิธีไม่ให้เราเจอความทุกข์กันก็คืออย่าไปทําบาปถ้าไม่ทําบาปแล้วจะไม่ทุกข์กับการกระทําต่างๆแล้วถ้าอยากจะมีความสุขก็ให้ทําบุญทําความดีมดต่างๆเวลาเราทําความดีแล้วใจเราสบายเวลาเราทําบุญเวลาเราได้ช่วยเหลือใครนี่ ทำให้คนอื่นก็มีความสุขเรามีความสุขไหมนั่นและเราแต่เราไม่ค่อยชอบทำกันเพราะเราไม่เชื่อบุญกันานานๆถึงจะทำสักกาสักครั้งหนึ่งเรายังถูกความหลงหลอกว่าเราเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าได้ความสุขมากกว่าเอาเงินไปทำบุญ แต่ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวนี้ทําให้เราทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรเพราะามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ทําให้เราติดเหมือนยาเสพติดพอเที่ยวแล้วมันติดเที่ยวมันต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ ย, ยิ่งเที่ยวเงินก็ยิ่งหมดเนี้ยพอไม่มีเงินเที่ยวก็จะทุกข์แล้วสิจะเดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เที่ยวเราเอาเงินไปทําบุญเราได้ความสุขแล้วเราก็จะไม่ติดการทําบุญะ เวลาไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่ต้องทำเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะไม่อยากเที่ยวไม่ติดเที่ยวไม่ติดช้อปปิ้งบางคนก็ติดช้อปปิ้งซื้อกันอยู่นั่นนะซื้อมาเต็มบ้านเข้าของเต็มบ้านซื้อมาเท่าไหร่ก็ดีใจเดียวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วของที่ซื้อมาก็วางไว้เฉยแต่ของที่อยู่ในร้านนี่นะดูแล้วมันล่อตาลออใจยอยู่เรื่อย เวลาไปเดินช็อปปิ้งที่ร้านเห็นของใหม่อยู่ในร้านก็อยากได้ขึ้นมาก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่มีเงินซื้อพอไม่มีเงินซื้อก็เดือดร้อนทุกข์ขึ้นมาดงั้นถ้าอยากจะใช้เงินแบบมีความสุขก็เอาไปทําบุญนะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราจะมีความสุข แล้วเราจะตัดความอยากไปซื้อข้าวซื้อของตัดความอยากช้อปปิง้งอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรต่างๆได้ทำาเวลาเวลาไม่มีเงินไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้หรือเวลาเราร่างกายเราไม่สบายไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่บ้านได้แต่ถ้าเราติดเที่ยวติดช้อปปิ้งนี่เวลาไม่ได้ไปนี่มันจะทุกข์ พยายามทำบุญถ้าอยากจะมีความสุขให้ขยันทำบุญทำบุญได้หลายแบบทำบุญด้วยข้าวของเงินทองทำบุญด้วยกำลังกายของเราเช่นเรามาอยู่วัดเราเห็นห้องน้าห้องมันสกรปรกก็ช่วยกันล้างทำความสะอาดที่พักที่อยู่อาศัยมันสกรปรกเราว่างไม่รู้จะทาอะไรก็ช่วยกันทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นการทาบุญ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะทําให้ใจเรามีความสุขแล้วข้อที่สาท่านบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเรืเราก็ต้องไปชําระใจของเราชําระสิ่งที่ทพาให้ใจเรามาเกิดสิ่งที่ทําให้ใจเรามาเกิดเรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่ เป็นตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังอยากจะเที่ยวยังอยากดูอยากฟังอยู่เราก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เหมือนกับถ้าเราต้องใช้โทรศัพท์มือถือพอมือถือเครื่องเก่าเสียเราทำไงเราก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่นะแต่ถ้าเราเลิกใช้โทรศัพท์ได้ เวลาเครื่องเก่าเสียเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราเลิกใช้มันเมื่อก่อนไม่มีมือถือทำไมเราอยู่กันได้นื่นไม่กี่ปีมานี้เองไม่มีโทรศัพท์มือถือกันเราก็อยู่ของเรากันยังมีความสุขแตเดี๋ยวนี้พอมีโทรศัพท์มือถือแล้วนี่ติดมันแลต้องใช้มันนี่ออกจากบ้านนี่ถ้าลืมโทรศัพท์มือถือนี่ต้องกลับไปเอาแล้ว น, นี่คือเราไปติดร่างกายติดความสุขที่เราได้จากร่างกายซึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆความทุกขที่ได้กับมองไม่เห็นความทุกข์ที่ได้จากการมีร่างกายนี้มันมากกว่าความสุขที่เราได้จากการมีร่างกายความสุขเดี๋ยวเดียวได้ไปเที่ยวก็สุขแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้เที่ยวก็ทุกเวลาไม่สบายก็ทุกไปไม่ได้เวลาแก่ไปไม่ไหวก็ทุก เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆอยากเที่ยวอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกอยากมีหน้ามีตาอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญเยินยอความอยากต่างๆเ่านี้ต้องตัดไปให้หมด วิธีที่จะตัดง่ายๆก็คือไปบวชนะยังไม่ต้องไปยึ่งกับใครตัดมันหมดเลยตัดครอบครัวตัดสังคมไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็หักห้ามจิตใจไม่ให้กลับไปหาสังคมไม่ให้ไปหาครอบครัวด้วยการมันทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบแล้วความอยากจะหายไปนั่งสมาธิบ่อยๆ ฝึกสติให้มากๆเพราะใจจะสงบได้ต้องมีสติสติเป็นตัวทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบทําให้ใจเป็นสมาธิสติเหมือนมันเป็นเบรครถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์หยุดเราต้องเหยียบเบรคใช่ไหมถ้าไม่มีเบรคมันหยุดไหมมันจะหยุดต่อเมื่อมันไปชนชนรถหรือชนอะไรชนกําแพงมันถึงหยุดใจเรานี่ก็เหมือนกันนะ ถ้าเราอยากให้มันหยุดให้มันนิ่งเราต้องมีเบรกเบรกก็คือสติสติคือการระลึกรู้อยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเวลาอยากไปเที่ยวก็พุทธโธพุทธโธไปอยากไปคิดถึงเรื่องเที่ยวเดี๋ยวพอลืมเรื่องเที่ยวก็ความอยากก็หายไปเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็พุทธโธพุทธโธไปมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันแล้วพอ ใจนิ่งความอยากก็หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำความต่างความอยากสิความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเพราะมันสุขนานกว่าสุขมากกว่าแล้วเราสามารถทำได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราทาได้แล้วต่อไปเราจะสามารถทาได้ทุกเวลา อยากจะมีความสุขเมื่อไหร่ก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปปั๊บก็สุขแล้วไม่ต้องไปเหนื่อยกับการเตรียมเตรียมตัวออกไปเที่ยวกันหาเงินหาทองแต่งเนื้อแต่งตัวนัดเพื่อนนัดฝูงกว่าจะได้ไปเที่ยวกันสักครั้งนี้เหนื่อยแล้วแล้วกว่าไปเที่ยวกลับมาก็หายหมดแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวพอกลับมาถึงบ้านก็เหงาเหมือนเดิม แต่ถ้าเราอยู่บ้านนั่งสมาธิพุโทโธพุทโธได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวได้มีความสุขตลอดเวลามีความสุขกับการอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปหาเงินมาเที่ยวกันนี่คือวิธีของคนฉลาดของคนตาดีวิธีหาความสุขดับความทุกข์ดแบับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมานั่งสมาธิการทาใจให้สงบแล้วก็ตัด ความอยากต่างๆออกไปอยากได้เงินทองก็ไม่เอาอยากได้ยศก็ไม่เอาอยากได้หน้าได้ตาก็ไม่เอาอยากได้สามีภรรยาอยากได้ลูกได้หลานได้อะไรอยากได้เที่ยวอยากไปเที่ยวอยากอะไรก็ไม่เอาทั้งหมดตัดมันไปให้หมดเอาสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิไปอย่างเดียวรับรองได้ว่าจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างที่เรากาลังมีกันอยู่ในขณะนี้ น่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปนี่คือการเรียนรู้จักคนตาดีเพื่อทําให้เราตาดีเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็ตาบอดท่านก็ทุกข์เหมือนพวกเราแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดรู้จักคิดว่าทําไมเราทุกข์แล้วก็หาวิธีดับความทุกข์นั้นท่านก็พ บ, พบสูตรว่าต้องทําบุญต้องละบาปต้องชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอท่านทําสําเร็จท่านก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพวกเราถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทําสัญญกรรมไม่ต้องมาย้อมผม ไม่ต้องมารักษาความงามความสวยของร่างกายที่รักษาไม่ได้เราจะมีแต่ความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายก็คิด <het> ว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พอยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสักลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิตเเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธาไมณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันตุสัพพารโคลวนัสตุ มาเตผวะตวตันตาลาโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทนสีลิทสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารธูธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาง <S <S มีอะไรอยากจะถามไหม มีหนังสือสีดีนะเดี๋ยวโยมหยิบไปได้จะเอาไปอ่านเอาไปฟังดีใครฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามเพิ่มเติมไหมดังๆหน่อยครับดังๆที่ฟังธรรมะนี่ก็คืออยากจะถามว่าคือที่พุณเจ้าอกว่าให้ทำบุญนี่คือการทำบุญเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องทำด้วยเงินอย่างเดียวใช่อ่า ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่เป็นบุญทั้งนั้นช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองเรา ม, มีอย่างอื่นเรามีความรู้เราให้ความรู้แก่ผู้อื่นเช่นเป็นอาจารย์ติวเด็กนักเรียนนี้ติววิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่เก็บตังนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกัน ได้กวาดถูสาลาช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดจะต้องเป็นเงินทองอ่าใช่เรามีอะไรเราก็ทําอมาิตนิดนึงก็เห็นหลวงพ่อว่าให้ให้ทําบุญเราคิดวอาทาบุญบางครั้งทาบุญกับวัดมันก็เหมือนกับว่าการขอนุญาตนั่นหรือเปล่ารือการไปให้พระอะไรเนี้ยค่ะปรับเข้าใจของเราบางทีก็คิ นก็ยั ง, งยไปให้ภาสให้วัดเนี่ยเพราะว่าวัดก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมีสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องคอยบูรณะซ่อมแซมมันก็ต้องต้องใช้เงินทองถวายเป็นของวัดไปอย่าถวายเป็นส่วนตัวคือการทำบุญก็ที่เด็กกำพร้าอะไรทุกอย่างก็ได้ถูกได้ได้ไดขอทานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ปล่อยวัวปล่อยโคก็ได้ เป็นบุญนั้นเองแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับต่างกันประโยชน์จากการทํากับบุคคลต่างๆนั้นมันได้ผลตอบแทนต่างกันทําบุญกับวัวควายก็จะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมนะถ้ามาทําบุญกับพระก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเมืนประโยชน์ผลตอบแทนมันต่างกันเหมือนซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นมันมีผลตอบแทนต่างกันหุ้นบางตัวก็ให้ร้อยละสองบักบางตัวก็ร้อยละห้า เราก็ต้องรู้จักเลือกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการนี่คืออะไรถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปทำบุญกับวัดเท่านั้นถึงจะได้ธรรมะถ้าเราต้องการหมอต้องการพยาบาลเราก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาจะได้มีเงินจ้างหมอจ้างพยาบาลมารักษาถ้าเราต้องการครูมาสอนเด็กเราก็ต้องไปทำบุญที่โรงเรียนประโยชน์มันต่างกัน แต่ความรู้สึกทางจิตใจเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันอตผลตอบแทนที่จะได้จากที่ที่เราไปทำบุญนั้นมันไม่เหมือนกันคือถ้าเราไปทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องการผลตอบแทนมันก็ได้ไไดก็ได้ความสุขใจไปอย่างเดียวนะอ่ะก็ไปวัดก็ไม่ต้องไป สาบาตรก็ได้สาบาตรแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเทศฟังธรรมก็มันก็ได้ความสุขใจที่เกิดจากการได้ใส่บาตรแต่ถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็ต้องไปที่วัดไปฟังเทศฟังธรรมมีข้อมีข้อปฏิทฐานก็ที่พ่อว่าคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเกิดนะี่หมายในว่าคือถ้าเราตัด ตายความอยากทั้งหมดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากหาความไม่ต้องเกิดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชเนะี่ยถ้าจะตัดก็ต้องบาดนั้นต้องอยู่ห่างไกลต้องแยกกันไปเลยถ้ายังอยู่ด้วยการแลบอกตัดนี่มันก็หลอกตัวเองไปถ้ามันตัดจริงมันก็ต้องทิ้งได้เลยไม่ใช่ตัดจริงยังเก็บเอาไว้อยู่ นักบวชเขสละเงินทองไปหมดสละลาบไปหมดนะก็ euh, ไปอยู่แบบนักบวชเนี่ยเรามาบวชเขาให้เอาเงินติดตัวมา่อ <c oughs> ให้เอาแค่บริขารอัฐาบริการนั่นสมบัติแปดชิ้นของนักบวชบาจีวรประคตเอวที่กร อ, องนา้าเข็มกับได้แล้วก็มีโกนเนี่ย <c oughs> สมบัติของของนักบวชมีแค่นี้ลนะ จะตัดลาบยศดสรรเสริญกลยเป็นนายพลนายพันนายร้อยก็ละไปไม่เอานายพลนายร้อยติดมากับบาร์ใช่ไหมมีสามีมีภรรยาก็ตัดไปไม่เอาเรียกว่าตัดลาตัดความอยากต้องตัดสิ่งอะไรนี้เพราะสิ่งอะไรนี้มันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้เงินได้ทองอยากร่ำอยากรวยอยากมีความสุขกับการมีครอบครัวมี ภรรยามีสามีถ้ามียังยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมาเกิดเพราอใครเขาตั้งครันก็เข้าไปเข้าไปจองคันไว้เลยนอะาชายก็ติดตามเนี่ยแต่จะเป็นลูกเสีย์ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้หรอก การเป็นศิษย์อาจารย์นี้มันอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามคําสอนเท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันแต่มายนี้เราสามารถฟังได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางหนังสือสื่อต่างๆนี่ไม่เหมือนสมัยโบราณมันไม่มีสื่อเหล่านี้เลยต้องไปอยู่กับอาจารย์แต่ถ้าอยู่ดับอาจารย์มันก็ดีอย่างได้ไดรับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีอะไรผิดไม่ทําอะไรไม่ถูกก็แก้ไขได้ทันท่วงที ถ้าไปอยู่คนเดียวนี้ก็อาจจะไม่มีใครมาคอยดูแลความผิดถูกของเราทําไปแล้วอาจจะคิดคิดว่าถูกแต่มันผิดก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องต้อ ง, องเป็นตัวอาจารย์ตัวเองด้วยต้องคอยสอดสองดูแลการกระทําของตนเองด้วยว่ากําลังทําถูกหรือผิดหรือไม่แน่ใจก็ควรจะไปถามผู้รู้ว่าทําอย่างนี้ถูกไหม ฟังธรรมะของพระอาจารย์ตลอดเลยอในภาษาแล้วก็ต้องแต่บูที่ต้องแต่ได้มาที่นี่อืเปิดยูทูปฟังนี่ฟังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติอถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนกันได้บาตได้มีดไปได้ดาบได้อาวุธไปแล้วไม่เอาไปใช้ธรรมะนี้เป็นเหมือนอาวุธเอาไปฆ่าให้ต่อสู้กับค่าตศัตรูของเรา ควาศึกษาดูของเราก็คือความอยากความหลงนี่ยังหลงว่ามันดียังหลงว่ามีครอบครัวดีหลงว่ามีเงินดีหลงว่ามีตําแหน่งดีนี่ยังเรียกว่าหลงอยู่พอหลงก็อยากพอรู้ว่พอหลงว่ามันดีคิดว่ามันดีก็เลยอยากได้ต้องเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันจะได้ไม่อยากได้ต้องเอาไปปฏิบัตินะปฏิิบัตออยู่ บ้านอยู่ที่ไหนบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดประจุบอยู่ประ จ, จวบเองนะอยู่ในตัวจังหวัดเลยแหละตัวจังหวัด น, นั่นแล้วก็วัดสําหนักพุทธสิริขอมนี่ก็คือ อ, ออกไปจากในอําเภออีกประมาณสิบกว่ากิโลเมรท่านนั้นมีวัดของพระอาจารย์ไมตรีเหรอมีไหมีอาจารย์ไมตรีหรืออาจารย์อะไรอยู่ไม่ค ร, รนนัพระอาจารย์ชยัชยรัตน์ค่ชัยรัตน์ค่ระอาจารย์ชัยรัตนามา ไม่เคยไปแถวนั้นเลยไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเคยไปอย่างมากก็โหเห็นสมัยที่เป็นเด็กเรียนหนังสือตรงเรียนจัดพาไปอ่ไปเที่ยวทัศนศึกษาอันนี้อยู่ชายแดนอด่านนะฮะดา น, ดานมาด่านพ ม, ม่าด่านถึงขอนปิดเทื่อกเขอตนนาตะนาวสิงห์แล okay. ้วก็ท่านบวจอยในเมืองแล้วก็ไปปฏิบ <c oughs> ัติก็อาจจะบวชไปเรื่อยๆนะอแต่ยังไม่รู้ ดูจไปเรื่อยๆดูใจไว้เรือ่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆแล้วก็ขอโ อ, อกาสท่านนิดหนึ่งว่าอ uh huh. เปิดธรรมะท่านฟังตลอดแล้วก็เวลาได้ขึ้นทําวัดแล้วมีโอกาสได้ําทําวัดก็นําธรรมดเย็นนะเร็จะเปิดธรรมะท่านให้ฟังญาติโยมฟังด้วยอแม่ชีฟังด้วยก็ดีช่วยกันเผยแผ่ธรรมะไปฟังของคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะ ก็เป็นธรรมะเหมือนกันครูบาอาจารย์ต่างๆจะได้หลายรสหลายชาติบางอย่างเดียวอาจจะเบื่อกินไข่เจียวทุกวันเนี่ยอาจจะเบื่อมีอะไรไหมวันนี้ตั้งใจมาหาท่านโดยเฉพาะโอเคอ่าก็ท่านนี้ก่อนนะเพรยวเดี๋ยวจะต้องทำหน้าที่ต่อจะฟังต่อก็ได้หรือจะไปก็ได้เพราะเราจะต้องถามตอบปัญหากัน จะไปก็ได้จะอยู่ก็ได้นะตามสบายบก็ได้ส่วนใหญ่ไปกันหมดแล้ววันนี้ <c oughs> หายหมดเลยพ <c oughs> ังพอแล้วชั่วโมงหนึ่งก็เหลือกินละ <c oughs> อ่ามีอันนี้มีต่างชาติเข้ามาไหม <c oughs> ยังไม่มีไม่มี <c oughs> หายไปนะคำถามแรกจากคุณ <c oughs> <c oughs> หูนี่นะครับคือหนูมีเพื่อนคำนวณชื่อตามเลขแล้วได้เลขไม่ดีแปลว่าคนบ้าหรือจะเป็นคนโรคจิตประกอบกับหนูเป็นคนคิดมากความคิดนั้นมันทําให้หนูสงสัยในตัวเองว่าจะบ้าจนฆ่าคนได้หรือเปล่าแล้วความคิดนั้นบางครั้งก็เป็นภาพขึ้นมาแวบๆ ว, ว่าหนูทำร้ายคนอื่นหรือสั์เลี้ยงที่หนูรักคาถามคือถ้าจิตฟุ้งไป ก, ก่อกัดขวากรรม แล้วจะทำอย่างไรให้จิตกลับมาในช่วงเวลาทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันคะก็ใช้สติหนึ่งกลับมาพุโทโธพุโทโธเวลาจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีก็เหมือนนกวิ่งนมันจะวิ่งออกนอกลูก่นอกทางก็ต้องเบรมันหรือหักพวงมาลัยให้มันกลับเข้ามาอยู่ในทางอ่านเวลามันคิดไม่ดีก็หยุดมันก่อนใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด จากคุณเจเจนะครับเวลาที่หนูดูศพคนตายเน่าเปื่อยหรือศพอุบัติเหตุจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าดูการผ่าตัดของคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะรู้สึกกลัวไม่กล้าดูเป็นเพราะอะไรเจ้าคะแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรกลัวก็พุทโทรไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้พุทโทรพุโทโธไปใจยังไม่นิ่งกิเลสยังต่อต้านอยู่กิเลสมันชอบภาพบางอย่างมันไม่ชอบภาพบางอย่าง อเวลาท้ามเกิดความกลัวแสดงว่ากิเลสไม่ชอบเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดกิเลสพอใจนิ่งแล้วมันก็จะไม่กลัวมันก็จะดูได้จากคุณพิรมนะครับในคีรีมนสูตรที่ว่านิพพานดิบนิพพานดิบในทัศนะของพระอาจารย์เป็นอย่างไรเจ้าคะอันนี้เราไม่ดูแลนั่งต้องไปค้นคว้าเอาเองมีนิพพานดิบด้วยเนะ ไม่ทราบครับอาจารย์เขาบอกว่ามาจากในคีรินมนสูตรเป็นนิพพานดิบดิบสุกเนี่ยนิพพานดิบครั บ, ด, บดิบสุกอย่างเงี้ยครับอ า, อาสุกๆดิบดเพิ่งได้ยินวานนี้ <c oughs> จากคุณพิมพรนะครับถ้าเราอยากไปบวชถือศีลและอยากที่จะทำลงทานด้วยในวันสำคัญสำคั ญ, คญถามว่าการที่เราไปบวชไปถือศีลและการที่เราทำลงทาน แบบไหนจะดีกว่ากันคะหรือเรียกว่าได้บุญมากกว่ากันค ะ, ะทานมันน้อยกว่าศีลศีลมันน้อยกว่าภาวนานี้มันอยู่ที่กําลังของเราว่าเราทําอะไรได้แล้วก็ต้องทําส่วนที่เราทําได้ไปก่อนเช่นเรายกน้ําหนัก50กิโลเราจะไปยกน้ําหนัก20กิโลก็ยกได้ไหวถึงแม้ว่ามันจะทําให้เรามีกําลังมากขึ้น แต่ถ้าเรายังไม่มีกําลังเราก็ต้องค่อยๆพัฒนากําลังเราขึ้นไปก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราทําอะไรได้ถ้าเราไปภาวานาได้เลยก็ไปภาวานาเลยก็ได้ไปบวชเลยจะคุณอเล็กนะครับการนั่งสมาธิทําให้คนเป็นบ้าได้ไหมครับ อ, อ๋อไม่รู้นะมีแต่ทําให้ใจสงบนะถ้านั่งแล้ว ถ้านั่งถูกมันก็ใจสงบใจนิ่งมีความสุขไม่เป็นบ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วจากคุณทิติชัยนะครับในสถานะคารวะที่อยากปฏิบัติธรรมการใช้เวลาระหว่างวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือในช่วงการทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองคิด เราก็กำหนดสติตามรู้การไปเรื่อยๆไม่ให้เผลอคิดใช่ไหมครับอ่ใช่อย่าไปคิดให้ดูงานที่เรากำลังทำอยู่ไปแล้วถ้าไม่ต้องทำงานก็ให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้คําถามจะคุณเอกกระชัยนะครับคนที่เรารับกําลังจกักจาก ไปด้วยโรคซึ่งอายุ85แล้วมีวิธีทำใจอย่างไรบ้างครับหรือทำตัวให้เข้มแข็งอย่างไรบ้างครับและการตายแบบนี้ค่อยๆหลับและหยุดหายใจด้วยโรคเป็นการตายแบบไหนครับก็ตายเหมือนกันนะเวลาตายก็ไม่หายใจจะตายแบบไหนก็ตายแบบไม่หายใจนะมันไม่มีตายแบบอื่นหรอกมัน ม, มีตายแบบเดียวไม่หายใจมันก็ตาย ถ้ายังหายใจอยู่มันก็ยังไม่ตายก็ทําใจถ้าจําใจไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าใจเราไม่สบายใจเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจเราสงบเราก็สบายใจจากคุณกิฟนะครับหากเราอยู่บ้านเราแค่นั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์ได้ไหมคะหรือต้องสวดมนต์ก่อนนั่งก็แล้วแต่เรา ถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้านั่งแล้วมันไม่สงบมันฟุ้งก็สวดไปก่อนแล้วค่อยมันค่อยมานั่งต่อวันนี้คำถามหมดัแล้วเนี่ยวันนี้อา จ, จะเลิกเร็วก็ได้ไม่รู้จะเพราะว่ามันฟังกันมาจกนกระทั่งเบื่อแล้วมั้งไม่มีคําถามอะไรครับค่ะใครอยากจะถามไหม ไม่มีเดี๋ยวปิดแล้วนะเดี๋ยวจะปิดร้างนะนุค่ะออกมาแล้วครับรอาจารย์อเพาะ่พอบอกจะปิดร้างรีบมากันใหญ่จะคุณยุยงนะครับถ้าบอกว่าคนที่อยากหลุดพ้นจากทุกข์ให้ออกบวชเลยหากผู้ที่ออกบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่คิดจะบวชหกเดือนแต่เลื่อนกำหนดลาสิขาเรื่อยๆแต่ยังมีภาระต้องเลี้ยดูครอบครัว ลูกภรรยาเป็นเรื่องสมควรหรือไม่เพราะภรรยาต้องรับภาระคนเดียวหรือควรจะกลับมาทําหน้าที่ทางโลกให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยไปบวชใหม่ดีกว่าไหมเจ้าคะอ๋อไม่ดีหรอกถ้าบวชได้ก็บวชเลยบวชแล้วก็ถือว่าเราตายจากเขาไปแล้วก็แล้วกัน อ, อยู่คนละโลกนะเวลาเราหกเดือนเราบวชเขาอยู่ของเขาได้เขาก็อยู่ของเขาไปได้นะเขาไม่มีเราเขาเขาไม่เดือดร้อนหรอก ถ้าเกิดเราตายไปเขาจะทำยังไงตายไปเขาก็ต้องหาทางไปของเขาอยู่ดีใช่ไหองั้นถ้าเราไปได้ก็ไปเลย<ม>อันนี้ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราภาระหน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากคุณด็อกร KSP นะครับภาวะปัญญากับความเป็นอริยบุคคล สัััมพนนธ์กอย่างไรถ้ามีปัญญาก็จะทําให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้พระอริยบุคคลก็คือมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความอยากของตนเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากและเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญาจากคุณไฟเบอร์ออปติกนะครับ เวลานั่งสมาธิแล้วปวดเอวเอาหมอนหนุนเอวได้ไหมครับได้แต่มันก็ไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วถ้านั่งสมาธิไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปยุ่งกับหมอนไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรให้อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวมันจะเจ็บมันจะปวดกปจะจะป็ปล่อยมันเจ็บไปปวดไปถ้าไปขยับไปหาหมอนมันก็เหมือนกันนะเริ่มต้นใหม่แล้วถ้านั่งสบายเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่ดีมันจะสบา ย, ยางไงเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บอยู่ดี วิธีที่จะทำให้เราสงบแล้วไม่ไม่วุ่นวายกับความเจ็บก็คือนั่งต่อไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายเรื่องของความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปเราอยู่กับพุโทโธไปพุโทโธไปจกคุณนิยาพัน์นะครับกรวดน้ำให้คนเป็นได้ไหมคะไม่ได้แล้วน้านี้เขาให้คนตายแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำที่ที่เรากลวดคือบุญบุญที่เราทำจากการถวายทาน พอเราทําทานเสร็จแล้วก็มีบุญเราก็แบ่งบุญนี้ให้กับคนที่ตายได้คนเป็นเราก็ถ้าอยากจะให้คนเป็นก็มีความสุขเราก็เอาเงินให้เขาไปหรือซื้อของไปให้ฝากเขาเขาก็จะได้ความสุขแต่คนตายนี้เราซื้อของส่งไปให้เขาไม่ได้เราเราส่งบุญไปได้เราก็เลยต้องทําบุญแล้วส่งบุญไปแทนจะคุณพีโกนะครับขอวิธีออกทุกแบบเริ่มต้นง่ายๆครับเอ๋อ ก็ยิ้เสิเวลาทุกข์ก็ยิ้มหรือหัวเราะก็ได้จักคุณพัชรทัตนะครับการจะบรรลุธรรมจําเป็นจะต้องได้ฌานก่อนไหมครับถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้จะบรรลุบรรลุธรรมได้ต้องหยุดความอยากได้ถึงจะบรรุธรรมได้จักคุณกันนิกานะครับถ้าเรานั่ง ้าเวลานั่งสมาธิยังไม่รู้สึกสบายในทุกครั้งยังมีความเจ็บความทรมานของสังขารอยู่แต่ก็ยังถือว่าเราได้บุญทุกครั้งในการนั่งใช่ไหมเจ้าคะยังไม่ได้บุญได้แต่ความพยายามได้ความเพียรเหมือนกับทำงานแต่ยังไม่ได้เงินเดือนต้องทำงานให้สาเร็จก่อนเขาถึงจะจ่ายเงินให้เราใช่เวลาราไปรับจ้างทำบ้านให้เขาอย่างเงี้ยทำกวาดบ้านถูบ้านให้เขา ทำไปครึ่มหนึ่งแล้วก็หยุดทํนี่เาก็ไม่ให้เงินเราต้องทําให้มันเสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะจ่ายเงินอะจัรได้เวลานั่งสมาธิถ้ายังใจไม่รวมยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญได้แต่ความพยายามแล้วความพยายามนั้นจะมีรางวัลอบใจบ้างไหมครับอาจารย์ในความพยายามก็มีว่าเราสามารถทําได้ไงเราก็ต้องทําต่อไปถ้าพยายามนิดนึงเรามาครึ่งทางแล้วนั่งต่อไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแต่มันยังไม่สำเร็จเท่านั้นเองผลยังไม่เกิดข้อสองนั่งภาวนาเสร็จแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้ใหม่เจ้าคะก็ยังไม่มีบุญจะไปอุทิศยังไงบุญที่เกิดจากการนั่งมันยังไม่เกิดแต่อยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่รวงรับไปแล้วก็ไปถวายสังฆทานไปทาบุญทาทานเกิดทันที จากคุณพิทักษ์นะครับจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านที่รถมีคนเอามาให้เราเ อ, อ๋อไม่จำเป็นเลยฮะพระเครื่องไม่ใช่พระพระพระคือความดีที่เราทำเนี่ยเรียกว่าพระถ้าเราทำความดีพระก็จะคุ้มครองเราความดีจะคุ้มครองเราจากคุณชนะตนนะครับถ้าภาวนาจนจิตสงบถือว่าได้บุญมากกว่าทานศีลแล้วใช่ไหมคะ ที่ขาว่าภาวนาช่วเวลาเพียงแค่ช้างกับพือหูงูแลบลิ้นถือว่าได้บุญมากกว่าแล้วคือการใช้ปัญญาตัดกิเลสซึ่งเกิดเพียงวัดเดียวหรือเปล่าคะเออแต่มันก็ได้นิดเดียวไงมันต้องทำให้มันได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองมันดูหนังตัวอย่างยังไม่ได้ดูหนังจริงหนังจริงมันกว่า น, นี้หนังตัวอย่างดูว่ามันมันับไปดูหนังจริงยิ่งมันใหญ่เลย ดูทั้งเรื่องเลยให้มันสง บ, บตลอดเวลาเลยยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าหนังจริงจากคุณอเล็กนะครับคารวะที่บรรลุอรหันต์แล้วถ้าไม่บวชจะนิพพานภายในกี่วันครับก็นิพพานตั้งแต่เป็นุอรหันต์แล้วคําว่าตายนี่มันก็อยู่ที่เรื่องเรื่องของร่างกายร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของใจที่เป็นพระอารหรันต์มันคนละเรื่องกัน จากคุณกิติยานะครับการนั่งสมาธิห้ามขยับเลยใช่ไหมคะบางครั้งตะคิวกินแล้วปวดเราต้องตั้งจิตว่าปวดหนอปวดหน อ, หนอสู้กับกิเลสใช่ไหมคะถ้าอยากจะได้ความสงบก็ต้องไม่ขยับถ้าขยับมันก็ไม่สงบแบบจะคุณพีโกนะครับบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างครับก็าตามที่จิตรวมแบบงูแลบลินก็ได้เรีอน ร, ร, รวมนาน หมุนแล้วมงก็ได้นิดหนึ่งได้เหมือนกับได้ได้เหมือนน้ำน้าค้างอย่างนี้ถ้าอยากจะให้มันได้แบบน้ำฝนตกก็ต้องให้มันนิ่งนานๆหมดหมดแล้วเหละเดี๋ยวก็มาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไม่มาก็เลิกจะได้ไปพักผนะ่อนต้อเดี๋ยวให้เวลาทักคพังหนึ่งถ้าไม่มีเข้ามาภายในห้านาทีก็ไปได้แล้ว พูดมาเยอะแล้วนะทุกวันทุกวันนี่มันก็ไม่ใช่น้อยมันก็เรื่องเก่าคำถามก็เก่าเียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนใหม่มาถามอานนี้รู้สึกว่าจำนวนกดชอบนี่จะจะเบาแผ่วลงแผ่วลงนะนอะาจารย์มันมันเหมือนกมันอันนี้ก็ขึ้นถึงแสนสามห้านนแหละครับเดี๋ยวก็แสนสี่แล้วคนะรับแสนสามห้าแล้ว 105, แสนสี่ จะคุณนิยาพันธนะครับจิตนิ่งคือไม่อัลัยเลยใช่ไหมคะก็ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งสบายมีความสุขรู้เฉยๆข่าวมูลนี้ต้องปฏิบัติแถึย่ารู้ถามไปก็เท่านั้นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นครับถามไปแล้วก็ไม่เกิดไม่เกิดพลังเหมือนกับได้เห็นด้วยตัวเอง ถ้าจิตสงบเพียงครังเดียวนี่มันจะเกิดความพลังมากพลังที่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะทะ้อไม่ไม่ต้องการอย่างอื่นลแล้วจะไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมวกลิกน้นกายจะเอาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่เพียงอย่างเดียวจากคุณวนงานนะครับการกินเจได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกกินเจก็เหมือนหัวควายถ้าได้บุญหัวควายมันก็ได้บุญทุกวัน บัวควายมันก็กิกนผักกินหญ้าการไม่ฆ่าต่างหากถึงจะได้บุญถ้ากินเจแล้วยังไปตบตอบอ ย, ยุงไปฆ่ามดอยู่ก็ยังไม่ได้บุญกลับได้บาปจะคุณพัชรทัศนะครับการได้ฌานได้บุญแล้วใช่ไหมครับได้ฌานก็คือได้ความสงบแล้วจะคุณพีท ฟ, ฟูนะครับผมบริกา ร, รทั้งวันจนสามารถทรงความสงบได้ตลอดเวลา มีความสบายแต่ผมยังไม่สามารถผ่านเวทนาไปได้ลองใช้ทั้งบริกรรมและปัญญายิ่งถ้าปวดมากๆแต่ใจมันยังไม่ยอมรับมันไม่เฉยสักท์ทีผมจะทําอย่างไรดีครับก็ต้องพยายามไปเรื่อยไไๆพยายามใช้คําบริกรรมไปถ้าสอนมันด้วยปัญญาแล้วมันไม่อยอมรับก็ต้องใช้คําบริกรรมหยุดความอยากอยากให้ความเก็บหายไปให้ได้อยากไปคิดถึงความอยากให้อยู่กับคําบริกรรมไป เดี๋ยวพอมันถึงขีดหนึ่งแล้วความอยากมันก็จะหยุดแล้วใจก็จะสงบจากคุณชนะตนนะครับช่วงไปภาวนาที่วัดป่าจิตสงบแต่ไม่สว่างนิ่งเฉยแต่ยังไม่เป็นอัปปนาก็มีความสุขมากแล้วถือว่าได้ผลหรือยังคะก็ได้บางส่วนยังไม่ได้เต็มร้อยจากคุณคมกิจนะครับนั่งแล้วเหมือนลมหายใจค่อยคเบาจนเกือบจะหาย แล้วเกิดตกใจเลยกลับมาเหมือนเดิมไปต่ออย่างไรดีครับก็เริ่มใหม่พุโทโธพุโทโธต่อไปใหม่อืจะคุณอภิพลนะครับดิฉันภาวนาพุโทโธจะใช้แบบถี่ๆบ้างห่างๆบ้างเพื่อบังคับไม่ให้ฟุ้งซ่านจนกระทั่งรู้สึกจิตไม่มีความฟุ้งซ่านดิฉันทําอยู่อย่างนี้มาหลายปีคะ่ะ อ, อจะคุณทันอัปองนะครับ ความหมายของคําว่าฉันทะในอิทธิบาทสี่มีความหมายต่างจากความพอใจความไม่พอใจซึ่งเป็นกิเลสอย่างไรเ อ, อ๋อความยินดีไความยินดีในกับในการปฏิบัติเรียกว่าฉันทะยินยินดีกับการทํางานทําการก็เหมือนกันเนี่ยแล้วแต่ว่าเรายินดีกับอะไรถ้ายินดีกับเงินทองก็เป็นกิเลสถ้ายินดีกับการปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นคำความยินดีเหมือนกัน จากคุณวัชลานะครับอยากให้พระอาจารย์สอนเรื่องอสุภัสกรรมฐานใช้รูปวิดีโอตามอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับได้ก็เปิดดูดูศพดูการผา่าศพดูแล้วพยายามเอามาจดเอามาจำให้มันฝังอยู่ในใจเราพอเวลาเราเห็นร่างกายที่สวยๆงามๆล้วก็คิดถึงเวลาที่เขาตายเวลาที่เขาเป็นซากศพไปจากคุณเลียวศรีวิไลนะครับ จิตกับกายแยกออกจากกันแล้วจะมีภาพปรากฏขึ้นมามากมายมีแต่ตัวรู้ไม่ไปเอาภาพเหล่านั้นมาปรุงต่ออันนี้ภาวนามาถูกทางแล้วหรือเปล่าคะก็ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุดทางต้องไม่ให้มีภาพเลยต้องพุโทโธต่อไปถ้ายังมีภาพมีอะไรปรากฏอยู่ก็ต้องพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะว่างทุกอย่างหายไปหมดจะคุณแมนนะครับ การแผ่เมตตาควรจะทําหลังการนั่งสมาธิหรือส่วนมนต์เสร็จถูกต้องไหมครับไม่ถูกล่ะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกันพบกันก็ยิ้มให้กันนี่ว่าแผ่เมตตามีขนมก็มาฝากกันเวลาใครเขพูดไม่ดีก็อย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเนี่ยเรียกว่าการแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิเสร็จเวลาส่วนนั้นเป็นการสอนเวลาเป็นการทวนทบทวนเป็นการเตือนใจสอนใจว่าอย่าลืมแผ่นะเวลาเราไปเจอกัน แต่ตอนนี้เราซ้อมไว้ก่อนะแต่พอเราออกนอกบ้านไปหรือออกจากสมาธิไปไปเจอคนในบ้านก็ยิ้มให้กันอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาเพราะเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราจะคุณมนนะครับสุดนั่งสมาธิและฟังธรรมของท่านรู้สึกว่าความต้องการทางเพศน้อยลงเกี่ยวกับธรรมหรือคิดไปเองครับถ้ามันสงบมันความอยากทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะเบาเบาง ล, ลงไป ความอิ่มใจก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับจะคุณนิยาพันนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือร้ายเรารู้สึกเฉยเฉยมันคืออะไรครับก็แสดงว่าใจเราปล่อยวางเนะยจะคุณอักษรศิลนะครับเราทำหมันหมาแมวจะเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเลยข้าทีเด็ก <laughs> ก็มีมาอยู่ <laughs> พอรู้ว่าจะปิดเด็ก <laughs> ก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆ จะบนทานแอป อ, องนะครับการนั่งสมาธินั่งบนที่รองหนาหนานุ่มๆผิดสีใหม่ครับไม่ผิดแหละแต่มันยุ่งยากเพราะว่าการปฏิบัตินี้บางทีเราไม่มีที่เลือกถ้าเราไปจะไปนั่งสมาธิต้งแบกเบาไปเนี่ยมันไปทุวดงนี่มันกล็ลำบากเวลานั่งสมาธิเรามักอยากจะไปหาที่มันเงี ย, งยบๆสงบไปตัวเปล่าๆนี่นั่งตรงไหนนั่งพื้นแข็งๆเนี่ย นั่งนิ่มเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่ดีนั่งให้มันเจ็บเราจะได้ใช้สติใช้ปัญญาสู้กับความเจ็บเลยะยัางอย่าไปหนีความเจ็บเนี่ยพวกที่ยังนั่งบนเบาะบนอะไรอยู่นี่เป็นพวกกลัวความเจ็บเนี่ยถ้ากลัวความเจ็บแล้วก็อย่าไปนั่งดีกว่าเดี๋ยวพอเจอความเจ็บก็ยกยกทงขาวขึ้นมาต้องเอาแบบไม่กลัวความเจ็บนั่งบนกับพื้นเนี่ยไม่ต้องมีอะไรปูหรอกนั่งไปเดี๋ยวมันเจ็บแล้วก็ใช้พุทโธใช้ปัญญาสู้กับมันเลย แล้วมันจะได้ผลมันจะได้ผ่านไปได้จากคุณชนะตนนะครับจิตที่มีสมาธิเวลาไม่กระทบอารมณ์จะนิ่งเฉยๆแต่เวลากระทบอารมณ์จะต้องสามารถแยกผู้รู้ออกจากอารมณ์ได้ตลอดเวลาใช่หรือเปล่าคะถ้าเผลอบ้างแสดงว่ายังไม่ได้ผลหรือเปล่าก็สแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาหรือไม่มีสติคุมใจไว้ใจมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาคอยคุมใจพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็หยุดมันได้หมดแล้วเลยหมดครับเลยแค่ออนาทีนับเดียววันนี้ไม่มีใครอาสาสมัครมาเลยเนะี่ยไม่มีครับเอาอมาทิ้งไว้แค่เช้าน่าอาเดียวจะไปอะไรครับเมื่อเช้าก็มีใส่บาทอยู่คนหนึ่ง คิ่ว่าจะมากลับมาแนละ้วคงเบื่อแล้วมั้งทนะำทุกวันทุกวันตอนนี้ ม, มีพี่อ้อมมาอาสาสมัครคนครับพี่อ้อมที่ที่ที่เป็นคนถวถวายซิมจ่ายค่าซิมอันแรกเลยครับที่มีสีชาครับพี่อ้อมนะคที่มาใส่บาตร บ, บ, บ่อยๆเยมขมก็จะอาสามาเป็นทีมงานหนึ่งคน ถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็หยุดได้มันก็ต้องมีวันหยุดบ้างไม่มีอะไรเทียงแท้แน่นอนทําได้อย่างนี้มาต้องปีกว่าก็ถือว่าเก่งแล้วถ้ะหน่อยากถามว่าคน ท, ที่เขาแบบที่เขาแสดงเป็ว่าเขามีโหติตาติเนี่ยค่ะแล้วสามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นกรรมของมันไปได้จริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะกรรมใครกรรมมันไม่มีใครช่วยกันได้หรอกเป็นแต่ป้องกันกรรมใหม่ได้อยู่ทาเคยทํา กรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่พระพุทธเจ้าจะช่วยให้เราไม่ให้ไปทํากรรมใหม่ได้โดยการสอนให้เราเห็นโทษของการทํากรรมพอเราเห็นโทษว่าทําบาปไม่ดีต่อไปเราก็อย่าไปทํามันแล้วเราก็จะไม่มีไม่บีบาปกรรมอันใหม่มามาเป็นปัญหากับเราแต่บาปกรรมเก่าที่ทํามาแล้วมันก็ต้องต้องใช้ไปตามวาระของมันเวลามันมาก็ต้องรับผลไป คุณอ้อยนะครับค่าเคลเลชให้ได้ผลต้องฝึกนานแค่ไหนครับแล้วแต่บางคนวันเดียวก็บรรลุก็ได้บางคนก็ร้อยปีก็ยังไม่บรรลุนี่มันอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนจกคุณพีโกนะครับขอวิธีเปลี่ยนจิตคิดเป็นจิตรู้ครับก็หยุดคิดอยู่ไหพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วนั่งให้นั่งเฉยเฉยนั่งนานนอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเอง พอหยุดคิดมันก็จะเหลือแต่แต่ผู้รู้โผล่ขึ้นมาจะคุณเอนะครับที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทานข้าหลังเที่ยงวันเพราะต้องการให้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นและไม่ให้ง่วงนอนช่วงหลังเที่ยงหรือเปล่าครับได้ปฏิบัติไปได้ตลอดหลังเที่ยงวันใช่ถูกต้องจะคุณอ้อยนะครับฝึกใจให้ไม่ชอบคนที่ทําผิดแล้วโกรธจะหมุดจิตทําอย่างไรครับ เวลาเจอเขาเวลาโกรธก็ให้พ <Yeah. S 1> ุทโธพุทโธไปอย่าไปอย่าไปมีความคิดอะไรกับเขาพุทโธพุทโธไปทำใจให้รู้เฉยเฉยไปจากด็อกเตอร์ k คเอสีนะครับคำว่าบรรลุคือแค่ไหนอย่างไรครับก็เวลาเกิดความทุกข์แล้วดับมันได้ก็บรรลุแต่ถ้าจะบรรลุแบบพระสุดาบันมันก็ต้องละสังโยชสามอันได้คือ ก, กายทิฏิวิจิตกิจฉ า, า, าศีลพัตตาปรามาสเนาละสังโยสามนี่ได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดหมดแล้วใช่ไหมข้ อ, อสุดท้ายทานอัปปองนะครับจิตสังขารต่างกับจิตอย่างไรครับคือจิตนี้เราบางทีก็เรียกมันว่าเรียกว่ามันเป็นผู้รู้สังขารคือผู้คิดปรุงแต่งต่างกันตรงนั้น